สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่สีบ้างนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยห้าสิบห้าเรื่องทอาอธิษฐานของพระเยซูตอนที่สามสิบในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับผมขออนุญาตบทวนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อรอให้ฐานขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก หมายความว่าโลกนี้ควรจะต้องเป็นไปนะครับอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับสวรรค์สวรรค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับโลกนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันควรจะเป็นอย่างนั้นสวรรค์นะครับเพ่งขัดนะครับทูตสวรรค์ทํางานเนี่ยตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแน่นอนครับเพ่งขัดมากบนสวรรค์นั้นจริงใจครับจริงใจทุกคนนั้นรอคอยคําสั่งจากพระเจ้าทุกคนนั้นมีความกระตือร้อนอยากจะทํานะครับ อยากจะรับใช้พระเจ้าอันนี้คือจริงใจสมัครใจด้วยครับก็หมายความว่าเป็นเป็นจิตอาสานะครับเป็นจิตอาสาพี่น้องครับมีความปรารถนาเดียวก็คือความปรารถนาแห่งการรับใช้พระเจ้านะครับต่อไปครับจริงใจนะครับสมัครใจแล้วก็ตั้งใจครับตั้งใจอย่างแรงกล้าหมายความเกิดความพึกเขิมครับบนสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้ เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นโลกครับต่อไปครับพร้อมนะครับพร้อมบนสวรรค์นั้นมีความพร้อมในการทำงานในการรับใช้พระเจ้าบนโลกนี้เราก็ต้องพร้อมกับในการรับใช้พระเจ้าทั้งนังด้านร่างกายก็ดีสติปัญญาก็ดีความรู้ความสามารถก็ดีจิตใจก็ดีและจิตวิญญาณก็ดีจะต้องพร้อมในการที่จะรับใช้พระเจ้าบนสวรรค์นะครับมีความพร้อมสูงสูงสุดเลยครับ คลอยแผ่นิโลกเป็นไปอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันต่อไปครับเป็นเรื่องของการทำทันทีครับทำแบบทันควันเลยนะครับไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับไม่รอจนใกล้จะถึงเวลาแล้วค่อยมาทำหรือหาเช้ากินค่ำนะครับหรือหาค่ากินเช้าสิ่งต่างๆนี้ครับก็จะแสดงให้เห็นถึงความจระเรียมความมีวิญัย ในการทำงานต่อไปสุดท้ายครับก็คือความสม่ำเสมอครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของตรงในสวรรค์เป็นอย่างไรว่าเป็นอย่างนั้นแผนแผ่นดินโลกนั้นก็คือบนแผ่นดินสวรรค์นั้นมีความสม่ำเสมอมีความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้แผ่นดินโลกนี้อธิษฐานขอแผ่นดินโลกนี้ที่จะมีความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกัน พื่อนครับทั้งแปดอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับผมททวนนะครับว่าต้องไม่เปลี่ยนแปลงต้องเข้มแข็งต้องจริงใจต้องสมัครใจต้องตั้งใจต้องพร้อมแล้วก็ต้องทันทีทันใดและสุดท้ายครับความสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่บนสวรรค์มีและพระเยซูกําลังสอนให้เราอธิษฐานให้สิ่งที่มีมัู่บน ส, สวรรค์นั้นมีอยู่ในโลกนี้ด้วยนะครับ เวลาเรื่องอธิษฐานนั้นเ่าแต่พระบิดาแล้วก็อธิษฐานไปเรื่อยๆนะครับมีความหมายครับว่าต่อไปนี้ผมขอปารานาตัวครับปารานาตัวก็คือมอบถวายชีวิตนะครับต่อไปนี้ผมอยากจะตายต่อตัวเองให้ผมถูกตึงไว้กับพระเยซูนะครับนี่คือการเริ่มต้นชีวิตอธิษฐานที่แท้จริง คำอธหานที่แท้จริงนะครับเนื่องจากว่ามีพระนามประกอบไปด้วยพระนามของพระเจ้าประกอบไปด้วยแผ่นดินของพระองค์ประกอบไปด้วยน้ําประทัยของพระองค์ที่ต้องสําเร็จทั้งสามอย่างนี้นครับเป็นส่วนสําคัญซึ่งเป็นพรรัลลคณะของพระเจ้านะครับหรือเกี่ยวข้องกับพระเจ้านั่นเองพระนามแผ่นดินและน้ำประทัยนะครับเพราะฉะนั้นดาวิดนะครับพรองค์ก็ แสดงถึงความพร้อมในการที่โรงจะขอพระเจ้าตอบคําำริษฐานของท่านและวิเศษ น, นี้ครับว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าโปรงข้าโปรงปิติยินดีที่กระทําตามน้ำพระทัยของโปรงนะครับข้าโปรงปิติยินดีที่จะทําตามน้ำพระทัยของโปรงอันนี่คือสิ่งที่พระเยซูตัดเช่นเดียวกันครับพระเยซูตัดว่าอาหารของเรา คือการกระทําตามพระไทรของ พ, พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้เผยพรจตนะเขารู้มาครับทุกยุคทุกสมัยทุกรุ่นครับรู้มาว่าไงครับรู้มาว่าสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเป็นน้ำมันไทยของพระองค์สิ่งที่เกิดบนป่าสวรรค์แน่นอนครับเมื่อถึงเวลา ก็จะเกิดในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญก่อนนั้นก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะมีความยินดีเชื่อฟังนมามธรรมไทยของพระเจ้าที่เปิดเผยมาให้กับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวว่าแล้วไอ้ฐานว่าขอให้ เ, เป็นไปตามพระไตรปของครงแล้วกำลังต่อสู้ครับต่อสู้กับอะไรครับต่อสู้กับโลกที่ตกอยู่ในความผิดบาสนะครับเรากาลังพูดว่าแผ่นดินโลกยัง ไม่ได้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์แน่นอนครับโลกนี้มีซาตานมากมายนะครับมีอำนาจมากมายน้ํพระไตยของพระองค์ก็ไม่ได้สำเร็จในจิตใจของมนุษย์ก็ยังครับเพราะว่ามนุษย์นั้นกำลังหันหลังให้กับพระเจ้าน้ํพระไตยของพระองค์จึงยังไม่สำเร็จในชีวิตของพวกเราในขณะเดยียวกันครับชีวิตของผู้ช่อยอื่นก็ ดำเนินไปในการขัดขืนไม่เชื่อฟังส่วนทางกันตลอดเวลาครับด้วยเหตุนี้การที่ฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระดของพระองค์นั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการต่อสู้ใช่ไหมครับการต่อสู้กับมารซาตานการต่อสู้ในการแย่งชิงดวงวิญญาณที่ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับการแย่งชิงดวงวิญญาณนั้นถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สุดข้อเหตุว่าเขาแย่งออกมาจากใครครับจากมือของมารซาตานครับเพราะมารซาตานนั้นมันมารัก รักขโมยครับฆ่าฆ่าคนนะครับทาลายทาลายความเชื่อทำลายตัวตนของคนไปยองครับเราเห็นนะครับว่าถ้าว่าน้ำมันไทยของโปรงยังไม่สำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ก็ขอให้พรงทร ง, ทร ง, ทร ง, ทรงโปรดกระทำให้สำเร็จในชีวิตของพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าของเรานั้นไม่ได้ยอมรับโลกตามที่สภาพมันเป็นอยู่นี้ก็คือโลกที่หยุดยุคแห่งความเสื่อมทราม เขาถ้าเป็นอย่างที่บอกว่าถ้าว่าพระเจ้านะครับไม่ได้ยอมรับโลกตามสภาพที่เป็นอยู่นะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาที่พระเยซูเข้าไปในเผ่าอิหารพระเยซูก็คงจะไม่ได้บอกว่าอ้าวมีอะไรกันนะสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นน้ำพะทัยของพระเจ้าแน่เลยพระเยซูไม่ได้พูดอย่างนั้นนี่ไหมครับข้ามพีบันทึกว่าพระเยซู เข้าไปในพื้นฐานแล้วก็เอาเชือกทําเป็นแท้ครับแล้วก็ล้มกระดานล้มโต๊ะนะครับของพวกที่รับแลกเงินนี่คือสิ่งที่พระเยซูทําครับแสดงว่าพระเยซูไม่ได้ยอมรับโลกตามที่มันเป็นอยู่นะครับมองอีก ม, มุมหนึ่งก็คือว่าถ้าว่าน้ำมนไทยของพระเจ้าสําเร็จอยู่แล้วแล้วในโลกนะครับคงก็ทรงก็คงไม่เสด็จเข้ามาชิงพระชนเพื่อทําลายความตายความบาปใช่ไหมครับ ถ้าพระองค์ปรารถนาที่จะให้มันคงอยู่หมายความว่าบาปต่างๆนั้นคงอยู่รงจะไม่รงสัญญาว่าเช็ดน้นตาทุกหยดถ้าพระงทรงปรารถนาให้ความโศกเศร้ายัางคงอยู่พี่น้องครับขอให้เป็นเปนตามพระทยของพระองค์นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ได้นะครับในทุกๆสิ่งเราจะต้องพัฒนาสิ่งที่เราพัฒนาได้ สิ่งที่เราพัฒนาไม่ได้เราอาศัฐานขอขอพระเจ้าส่งคนมาเก็บเกี่ยวหรือมาพัฒนาระบบหรือแม้กระทั่งคนหรืออีกหลายรือย่างที่เป็นของพระองค์พี่น้องครับการขอให้เป็นไปนตามน้ำมไทยของพระองค์นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่พี่น้องต้องเข้าใจดีๆนะครับพระเยซูไม่ได้ถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นที่ชอบพระไถ่พระเจ้าและบางคนก็เหมาว่าเป็นน้ำมไทยของพระเจ้าด้วยซ้ําจริงๆไม่ใช่ครับ พระเจ้าไม่ได้ถือว่าการอาธรรมเหล่านั้นเป็นน้ำมันไถ่ของพระเจ้าพระเจ้าทรงพระพิโรธการอาธรรมเหล่านั้นครับใน้วพ่อพีบอกว่าพวกองเอาเชือกมาเป็นแท่ใช่ไหมครับคว่มโต๊ะนักและพวกแรกเงินครับขับไล่ออกไปเขาคม พ, พีบอกกับเรานะครับว่าโรงทรงขับไล่คนแลกแรกเงินออกไปจากพระวิหารครั้งที่สองนั้นโครงทร ง, งเครียดกราดจนทุกคนวิ่งหนีไปโดยไม่ได้เอาเงินไปสกักเหรียญเดียว เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในขณะเดียวกันครับพระเยซูก็ทรงทราบถึงเบื้องต้นและเบื้องปลายหมายความว่าคือรู้ตั้งแต่พระสมเหตุครับพระเยซูอยู่ที่นั่นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างร่วมด้วยกันกับพระบิดาเยซูทรงถามถึงเบื้องต้นและเบื้องปลายทงไม่เคยยอมรับหรอกครับทงทรงต่อสู้กับมัน คงไม่เคยยอมแพ้มันสักครั้งเดียวตครงทรงสแสวงหาหน้าทัยของพระเจ้าครับพี่น้องนี่คือสิ่งสําคัญมากเราจะต้องสแสวงหาหน้าทัยของพระเจ้าครับอย่าไปยอมรับสถานการณ์เช่นที่เป็นอยู่นี้หลายครั้งทีเดียวเราคิดว่ามันก็เป็นไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นแต่หากว่าเราไม่พอใจเพราะเหตุที่ว่าเขาไม่มีความยุติธรรมบางคนอาจจะชอบฉนครับบางคนอาจจะโกงบางคนอ า, จจอารัดเเปรียบ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเองนั้นคือเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเราต้องต่อสู้นะครับเพื่อให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับพืชจากของพระองค์และแผ่นดินของพระเจ้าอุปรสรรคครับก่อนที่จะจบวันนี้นะครับอุปรสรรคของเราในการแสวงหาน้ำมันไทยของพระเจ้าก็คือเราต้องการให้เป็นไปตามใจของเราเองนะครับเรามีเชื้อโรคที่ทําลายชีวิต ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าความสบายหรือรว่า c o m f o นะครับอ o m f o r t เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าสบายอาการของโรคนี้ครับก็คือการที่เราลุ่มหลมและกระหายมันลุ่มลุ่มหลงครับนะครั บ, นะรบติดกับมันซะแล้วและกระหายมันทำให้เราเห็นว่าการอธิฐานเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเรามากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้เป็นความเห็นที่ผิดนะครับ การอภิฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นการเซลฟ์ทอล์กหรือพูดกับตัวเองการอภิฐานเนี่ย น, นะครับเรามีคู่ที่ฟังเราแน่นอนครับในขณะเดีนนกันครับเราจะต้องออกจากความสะดวสบายออกจากคอม포ตโซนของเรานะครับเพราะอะไรครับเพราะมันนี่เราเห็นถ้าใครอยู่ในคอม포ตโซนเนี่ยแสดงว่าเขาตกเป็นเหยื่อของมารต า, านไปแล้วเพราะเพราะอะไร มันตาตาเนี่ยมันพยายามที่จะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในคอม์ตโซนโดยเฉพาะยิ่งที่เรียนเข้มแข็งนะครับหรือแม้กระทั่งนักเทศรวบใช้ก็เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำหนุนใจที่น้องที่ทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยในส่วนหนึ่งนะครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในขะเดียกรครับหวังที่จะให สิ่งที่เกิดขึ้นบนสวรรนั้นปรากฏสําเร็จเกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยขอพระเจ้าเมตตาและอ้ยพรท่านนะครับการอิจฉเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเรานะครับในขณะที่เราเองต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นอย่างเดียวครับเราต้องเปลี่ยนแปลงเองด้วยอาเมน